กรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวัน สุพรรณบุรีไม่ว่าคนใหม่คนเก่าใครๆก็รู้จักหลวง อาณะก็ไม่อยากจนทุกคนในครอบครัวต่างก็มีความเคารพในหน้าที่มีความขยัน ท่านเป็นบุตรคนที่ 4 ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 9 คนโยมพ่อชื่อครับปีปี 2408 ที่ 2 พี่น้อง 2 พี่น้องจังหวัด 2 พี่น้องสมัยเมื่อท่าน ของพ่อแม่เสมอมาอยู่ในโอวาทไม่เกกะร่ารานใครยังเล็กก็เป็น สำหรับสมัยนั้นยังไม่เจริญเหมือนปัจจุบันการศึกษานี่สมัยนั้นยังไม่ แล้วก็ต้องยอมปฏิบัติรับใช้พระเนตรทุกอย่างหลวงพ่อ 12 ปีจึง จน 24 โยมพ่อโยมแม่ก็จัดการ 2 พี่น้องมี ถ้าเป็นหน้าแล้งก็ต้องเดินเท้าอย่างเดียวจาก 3 ชั่วโมงลัดเลาะไปตาม เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์สุดวทาจักรก็เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอินทสุวรรณโณอุปสมบทเป็นพระหนุ่มแล้วก็อยู่จํา 2 พี่ อ่าด้านปริยัติธรรมเป็นปะเรียน 9 ประโยคเป็นพระ อยากจะเรียนบาลีน้าชายก็ดีใจก็บอกว่ามาอยู่ด้วย ท่านก็บอกเออหนงเข้าไปดูในกุฏิฉันสิว่าฉันมีอะไรบ้างหลวงพ่อหนงก็เดินเข้าไปในห้องท่านมีโต๊ะหมู่ อ่าเนี่ยเห็นมั้ยถ้าฉันละกิเลสได้น่ะเนี่ยละ ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างงั้นผมไม่เรียนนะครับหลวงหน้าถ้าจะต้องการ หลวงพ่อหนองก็ตัดสินใจเดินทางมามอบตัวเป็นศิษย์เรียนวิชากับหลวงพ่อจันท์วัดทุ่ง พระอาจารย์ที่มีความรู้ ลูกศิษย์ก่อนสําคัญของหลวงพ่อเนียมอีกรูปนึงก็คือหลวง ส่วนท่านจะเรียนวิชาอยู่สำนักหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเป็นเวลานานเท่าไหร่นี่ เป็นที่ดินในความปกครองของชาว ส่วนมากยึดอาชีพทำนาเลี้ยงสัตว์และค้าขายนับถือศาสนาพุทธเป็น แล้วก็เงียบสงบจนวังเวงมีบ้านคนอยู่ห่าง พอดีเป็นช่วงใกล้ทำบุญเข้าวันสารท่านยังไม่ได้ย้ายไปชาวบ้านก็นิมนต์ให้ท่านอยู่ก่อนคนเฒ่าคนแก่จะได้อาศัยมาทำบุญกับท่านไม่ต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดคลองตาลด้วยว่าสองพี่น้องถึงมันไกลท่านก็อยู่ตามคำขอร้องของชาวบ้านพระภิกษุรูปนั้นก็คือหลวงพ่อแสงโมโสคั่นออกพรรษาแล้วท่านจะกลับถิ่นเดิมของท่านที่จังหวัดสมุทรสาคร แต่บรรดาญาติโยมขอร้องให้อยู่อีกแล้วก็อยู่ สัทธาท่านมาท่านมากท่านเก่งวิชาหลายอย่างไม่แบ่งที่ ญาติโยมทางมหาชัยสมุสสาครเค้ามีความได้ก็เลยให้คน ในฐานะเป็นลูกศิษย์รูปสําคัญของพระอธิการจารย์วัดทุ่งคอกและอยู่ หลวงพ่อแสงสนทนากับหลวงพ่อหนองอย่างถูกอัธยาศัยหลวงพ่อแสงก็ เรียนวิชาด้วยเนี่ยจะเป็นการดีจะได้ความ บรรดาญาติโยมทางมหาชัยสมุทรสาครก็พากันมารับหลวงพ่อแสงซึ่งเวลานั้นชราภาพมากแล้วกลับ ในท่านั่งขันสมาธิไว้สักการะบูชา การปกครองพระเนนในสมัย 20-30 รูปแล้วก็มีพระมาจากที่อื่นไกลๆมา ประพฤติผิดวินัยท่านจะว่ากล่าวตักเตือนหลังจากฉันพระ ครั้งแรกที่หลวงพ่อหนงเดินทาง จะใช้เวลาส่วนมากให้หมดไปนั้นท่านมีความมักน้อยฉันอาหารมังสวิรัตโดยตลอดเรื่องที่อยู่อาศัยไม่พิถีๆเป็นอาคารไม้ วิปัสสนากรรมฐานในป่าช้าแล้วก็เดินจงกรมในเวลากลางคืนท่านก็ มีเรื่องที่ควรกล่าวถึงอีกเรื่องก็คือ เมื่อท่านมาอยู่วัดคลองมาดันท่านมีความห่วงๆฟังว่าเมื่อนั้นได้ เพื่อรับศีลแล้วก็ใส่บาตรตอนเช้าเมื่อเสร็จกิจแล้วก็จูงมือกลับ เคยเล่าให้ญาติโยมฟังว่าเมื่อ ท่านเขียนตอนหลวงพ่อโหนงสร้างวิหารไว้ว่าเนี่ยเคยบอกว่าหลวงพ่อโหนงเนี่ยไปนั่ง ตอนดึกวันหนึ่งปรากฏว่ามีพระสงฆ์องค์หนึ่งรูปร่างสวยงามมีลักษณะดีบอกว่ามีลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้ามายืนอยู่ข้างหน้าบอกว่าโหนงที่ตรงนั้นน่ะมีพระบรมสารีริกธาตุใต้ที่เธอนั่งลงไปน่ะมีขันฑ์ทองคําขนาดใหญ่มีน้ําเต็มในขันฑ์ทองคํานั้นมีเรือสําเภาทองคํามนต์ ชาวบ้านเขาจะได้ไม่เดินผ่านคือไม่เดินเหยียบย่ําไปบนพระบรมสารีริกธาตุ หลวงพ่อโหนท่านก็รับฟังอ่าตอนเช้าเป็นวันพระเวลาฉันข้าว คือว่าสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ใน หลวงพ่อหนองก็เชื่อพอตอนเช้าท่านก็ออกตุดงเดินไปจังหวัดอยุธยาสมัยนั้นเค้าเรียกกันว่าเมืองกรุงเก่าเพราะว่ามัน หลวงพ่อโหนงก็ปรารภเรื่องปั้นพระประธานตาคนนั้นแกอ่ะตกลงกันว่าแกจะไปปั้นให้แต่ แต่วันนั้นน่ะมันบ่ายซะแล้วคิดว่าท่านนาย 5 วันหลวงพ่อโหนงก็ต้องกลับไปอยุธยาใหม่พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่านายช่างก็มาถึงเออไม่ได้บอกวัดเค้าสักหน่อยว่าวัดอะไรก็มาถูกเหมือนกัน ให้เขาปั้นพระนี่ควรจะให้ค่าจ้างเขานี่ค่าจ้างก็ยังไม่ทันให้แล้วช่างมาหายไปเฉยๆมันหนีไปซะไม่รับเออทันหาที่ไหนก็ไม่เจอ ฉันก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฉันมาปักปลอตมีแล้วฉันได้เขาไปปั้นพระเขาไป เป็นอันว่าหลวงพ่อโหนงแล้วจะเป็นใครได้อ่าเขาไม่บอกวัดก็อ่ะไม่เหมือนช่างสมัยนี้ ทั้งหมดเนี่ยคัดมาจากเนื้อความมาจากหนังสือประวัติหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอยุธยาเขียนโดยหลวงพ่อฤาษีอิลิงดำรกด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ณสถานที่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ที่ท่านเจริญธรรมเนี่ยก็มีจอมปลวกใหญ่อยู่จอมปลวกนึงถ้าหากว่าไม่มีคณะบุคคลไปก่อเหตุที่จอมปลวกนี้ศิษยานุศิษย์ก็คงไม่รู้เบื้องหลังและผู้นิยมพระเครื่องหลวงพ่อโหนงก็คงจะไม่ได้บูชาพระ หลวงพ่อหนองท่านก็เลยสร้างเจดีย์และสร้างพระบรรจุไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนทําลาย ท่านได้เรียกให้นายทองอยู่ซึ่งเป็นศิษย์รับใช้อยู่ คนที่อยู่ในป่าช้าก็บอกว่าเอ็งไปก่อนเดี๋ยวข้าจะตามไปนายทองอยู่อ่าคือนายคงจันฉายนายจืดอ่าให้ ฝังอยู่ที่ปลวกให้ไปขุดตรงที่มียายแมงมุมขึงอยู่เหมือนได้สายศิลกับผมก็เลยชวนกันมาขุดครับหลวงพ่อหนองก็ เทพพยดาพากันมากราบไหว้ทุกวันทุกคืนถ้าไปทําลายเสร็จแล้วจะตกนรกไม่ได้พูดได้เกิดทรัพย์ที่มีอยู่ในนั้นน่ะเจ้าของหวงนะให้เอาๆเครื่อง ทีนี้สืบเนื่องมาจาก เสร็จแล้วก็อาราธนาหลวงพ่อหนงมาทําพิธีรอบๆแล้วก็ถือไส้รอบๆจอมปลวก แกนจอมปลวกล้มเองก็ทําการปรับหน้าดินให้เสมอกัน ก็เคยเล่าให้ใครเคยเล่าให้ใครๆฟังบอกว่าพระเจดีย์องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์เครือแขวงอยู่พอวันดีคืนดีก็อ่ะก็อะไรล่ะเดี๋ยว วันดีคืนดีเคยมีคนเห็นลำแสงสีรุ้งพุ่งขึ้นมาจากยอดพระเจดีย์เข้าใจว่าน่าจะมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ใต้พื้นฐานพระเจดีย์ รอยชมรุตไม่มีตะไคร้น้ําจับสะอาดเกลี้ยงเกลาๆอีกองค์นึงอยู่ศูนย์กลางหรือ มีอาชีพทางการค้าขายมีความเคารพนับถือหลวงพ่อหนองมากได้ทําอาหารเจถวายหลวงพ่อหนองเป็นประจําติดต่อกันหลายปีจนกระทั่งแจ็ค เวลาท่านเดินผ่านพระเจดีย์องค์นี้ไปรับบิณฑบาตท่าน อยู่นานมาอ่าทางการเค้าเปลี่ยนเป็นวัดอัมพวันหลวงพ่อหนองเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธโดย ก็เป็นที่ห่วงใยของบรรดาพระเนน ด้วยความตื่นตระหนกผู้ได้ได้ แต่ละก็รีบถือถังน้ําเดินบ้างออกจากกิโลเมตรกว่าจะถึงก็ต้องใช้เวลา ซึ่งเดินตามหลังท่านมาเห็นท่าน ปรากฏว่าต้นเพลิงนี่มาจากไหม้ กล่าวกันว่าพระบูชากำแพงศอกรุนแรงไม่ช้า ร้องตะโกนว่าหลวงพ่อนงช่วยด้วยหลวง พอน้ำลดแห้งแล้วก็ค่อยๆยกข้าวแรงมากแต่ว่าทุกครั้งที่ไฟไหม้จะช่วยกันดับได้ทัน เมื่อเกิดเหตุการณ์คราวไหนบางคนจะชูรูปหลวงพ่อหนองและพระกำแพงศอกหลวงพ่อหนองชูขึ้นเหนือหัวตะโกนร้องเสียงดังหลวงพ่อหนองช่วยอ่า ในสงัดแดงมูลสงัดแดงมูลเล่าให้ฟังบอกว่าพระเอี้ยง ด้วยความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์พระเอี้ยงผิวเกลี้ยง 6 ขวบท่าน วันหนึ่งท่านได้ทํานายในเอี้ยงว่าต่อไปเอ็งน่า หน้าที่สํารวจจราจรนงคําแดดกรรมผลตรากกรรมปะปนกับรถยนต์ทั้งข้าวแกงเล็กๆน้อยๆมีรายได้ เราเลึกถึงความเหนื่อยยากของตัวและชีวิต ครั้งหนึ่งอาการโรคกําเริบลูกหลานนําส่งโรง นางเลี่ยมก็บอกว่าฉันเป็นคนไทยฉันก็นับถือพระอะดิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถามอีกว่าในตัวยายมีอะไรหรือเปล่ามีของอะไรมั้ยนางเลี่ยมก็บอก จากนั้นนางเลี่ยมมารู้ตัวเอาอีกทีเมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วเมื่ออาการดีขึ้นแล้วหมอกับพยาบาลก็มาสนทนาแล้วก็ขอๆครับ บางตอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนองอินทสุวรรณโน เสมอสวัสดีครับแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่อง เมื่อคราวนั้นที่วัดพระประถมเจดีได้จัดงาน หลวงพ่อหนองท่านก็เดินเก่าๆย้อมด้วยสีกรักก็ไม่ หลวงพะปานวัดบางนวมโคมาร่วมพิธีด้วยหลวงพะหนองได้รับนิมนต์นั่งบนอาสนะที่ 1 การๆเกิดขัดข้องไม่ หยิบวัตถุชิ้นหนึ่งออกมาใส่ลงไปในเบ้าหลอมผู้เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นเล่าว่าวัตถุที่ท่านใส่ลงไปคือตะกรุดเมื่อใส่ลงไปในเบ้าแล้วตะกรุดดอกนั้นก็ลอยไปรอบๆเบ้าแล้วก็จมลงการเททองจึงเป็นไปโดยเรียบร้อยผู้คนเวลานั้นก็มีความ จึงรู้ว่าท่านคือหลวงพ่อโหนง และศิษย์วัดทราบว่าวันนี้จะมี ท่านก็สั่งให้พระไปนิมนต์พระอคันตุคารูปนั้น ได้ใช้เวลาส่วนมากสนทนาธรรมแล้วก็ปฏิบัติ 3 วันในวันที่ 3 เวลากลาง ผู้พร้อมอยู่ที่หน้าพระพุทธรูปประจำศาลาของท่านแปลกประหลาดอย่างนั้นก็ยืนบังเสา หลวงพ่อหนองก็นั่งบนอาสนะเบื้องหน้าพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้วด้วยความสำรวมสง่างามหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหลวงพ่อปานเดินเข้ามานั่งแล้ว แล้วก็เดินกลับเข้าป่าช้าตามเดิมส่วนหลวงพ่อ ศิษย์หลวงพ่อโหนงรูปนึงชื่อ 6 พรรษามีความเลื่อมใสใคร่จะ แล้วก็ได้แต่งงานมีภริยามี ซึ่งให้ข้อมูลข้อวัดปฏิบัติเดินออกจากป่าช้า อ่าที่ทรงบัญญัติเป็นข้อปฏิบัติสําหรับพระสงฆ์สาวกที่จํามรรษาอยู่ในวัดเวลานั้นท่านจะมาที่วิหารหอไตรห่มผ้าพระอาจารย์สวยและพระฟุ้งจะมารอเมื่อได้ครองผ้าเตรียมออกบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วจะออก ว่าจบแล้วก็ลุกขึ้นเดินต่อไปเดินต่อไป พระรูปไหนเมื่อมีความต้องการถือสันโดษแสวงหา เมื่อถึงวันต่างๆก็จะมาร่วมจะมาร่วมด้วยการอาราธนาหลวงพ่อโหนงให้เป็นพ่อโหนงพิจารณาอนุญาตแล้วทุก พระหักก็อ้อนวอนขอไปให้ได้ หลังจากปักรถพักแรมเรียบร้อยแล้วกระทํากิจๆทั้งสิ้นเวลานั้นได้มี เมื่อเข้ามาใกล้แล้วก็กลับกระดอนข้ามกรดกลิ้งต่อไปหายไปกับความมืดเหตุการณ์นี้ได้สร้าง จากเหตุการณ์นี้สันนิษฐานว่าท่าน ท่านจะเข้าไปหาสักถามเรื่อง พร้อมทั้งแบกถือเครื่องอัฐบริขารเช่นกรดบาดการๆจนกระทั่งถึง เมื่อแบกไปนานๆกำลังแข็งก็อ่อนล้ากรดซึ่งยื่น ยังไม่ทันได้พูดอะไรท่านก็ชิงพูด โดนคดีเรื่องลักวัวชาวบ้านทางอำเภอมี แล้วก็กำชับว่าเมื่อเข้าประตูห้องสอบสวนขณะๆคนผลปรากฏ คาถาบทนี้นายผู้หญิงนะสอนลูกหลานไว้เป็นมรดกแห่ง หลวงพ่อเจ้าขาช่วยทํานายชะตาให้ทันทีเถอะว่าจะมีโอกาสเออเอ็งย้ายบ้านจากที่เดิมน่ะ อ่าให้แก่โยมมิ่งบอกว่าให้เอาไปปลูกบ้านโยม อ่าคลองมะดันเช่นบริจาคเงินสร้าง เป็นเมื่ออุปสมบทแล้วมีความเคารพนับถือหลวง ในการนี้พระหัตถ์ก็ไปบอกญาติโยมทางบ้านภูอ้นบ้านสีสำราญให้มาช่วยงานสร้างสนิทสนมจนไปเกิดพึงใจในศรีกาคนหนึ่งเงียบๆเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้รอดพ้นจากสายตาหลวงพ่อหนง ท่านรู้รู้ความในใจที่ตัวมีต่อศรีกาตรงๆว่าเป็นความจริงท่านบอกว่าเดี๋ยววัน thank ก็เดินออกมาพร้อมกับพระหัตเมื่อมาถึงก็เออนั่นน่ะฮะศีกาคนอืมคนนี้ไม่ใช่ หลังจากพระหัดลาสิขาบดแล้วก็แต่งงานกับสาวบ้านบางเพราะ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมพุทธศักราช 2477 เวลา 4 ค่ำเดือน 69 พรรษาบวช 46 พรรษา